วันนี้เป็นวันพุทธที่18มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันพระวันธรรมสวรนณะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งอีกหนึ่งวัน เพราะว่ามีการกระทาที่เป็นมงคลนั่นเองอย่างที่พุะเจ้าได้ทรงสัดไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตา ม, มังตาลมุ ต, ตมังการได้ยินได้ฟังทมตามโอกาสตามเวลาอัควรเป็นมงคลอย่างยิ่งคาว่ามงคลก็คือ เป็นความสุขความเจริญแก่จิตใจจิตใจนี้จะสุขจะเจริญต้องมีธรรมะเป็นผู้นำทางไปเพราะถ้าไม่มีธรรมะแล้วก็จะไม่รู้ว่าทางที่นำไปสู่ความสุขความเจริญของจิต ข, ของใจนี้จะอย่างไร เพรทางดําเนินสู่ความสุขความเจริญของจิตใจนี้ต่างจากความเจริญของร่างกายของราบยศและียงจิตเป็นคนละทางกันทางด้านของจิตใจนี้จะสุขจะเจริญต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมนําพาไปสู่ความสุขความเจริญการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ เป็นการได้แสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เป็นองคเพราะเพราะว่าเวลาฟังธรรมนั้นจะได้รับประโยชน์อยู่ถึงห้าประการด้วยกันประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือจะได้ยินได้ฟังธรรมความรู้ที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ถ้าเป็นธรรมเป็นความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามระดัแบ 3. บจะทำให้ความลังเลสงสัยต่างๆในเรื่องของธรรมเน้นหาหมดขึ้นไปได้สี่จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงและหาจะทำให้จิตใจสะอาดสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการสังเทศทางธรรมในแต่ละครั้งแต่การที่จะได้รับประโยชน์นี้จาเป็นที่จะต้องฟังให้ถูกถูกต้อง การฟังธรรมนี้ฟังแบบไม่ถูกต้องก็ได้ฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์และการฟังธรรมแบบถูกต้องและได้รับประโยชน์ทั้งห้าประการนี้ก็ได้เกี่ยวว่าเรารู้วิธีการฟังธรรมหรือไม่ว่าต้องฟัง อ, อย่างไรทำหลักแล้วเวลาฟังธรรม น, นี้วิธีที่ถูกต้องต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่เิ่งสงบ คือเวลาฟังเทศฟังทางนี้ร่างกายไม่ควรที่จะกระทำอะไรควรที่จะนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ไปทำนู่นทำนี่เพราะว่าเวลาไปทำนู่นทำนี่ใจก็จะต้องไปกับการทำของร่างกายก็จะไม่ได้ฟังอย่างเต็มที่อาจจะฟังได้เรี่งเดียว เพราคืหนึ่งก็ได้แบ่งไปให้กับการกระทำต่างๆที่ร่างกายกําลังกระทํายอยู่ดังนั้นเพื่อให้ได้รับทําได้เต็มที่ได้ร้อยเป็นจึงไม่ควรทําอะไรเวลาฟังเทศสังธรรมถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มที่ต้องนั่งเฉยๆหรือถ้าไม่สบายก็ต้องนอนเฉยๆไปไม่ต้องทําอะไร เคลว า, ายังสงบนะข้อที่สองก็คือวาจาก็ต้องสงบเวลาสังเทศฟังธรรมนี้ไม่ควรคุยกันเพราะว่าเวลาคุยกันก็จะหนึงให้ใจไปอยู่อยู่กับการคุยกันขครน่งหนึ่งแล้วอยู่กับการสังเทศฟังธรรมอีกเครื่องหรือไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ได้ฟังเลยจะได้มัวแต่พูดคุยกันตลอดเวลา ก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะจะฟังไม่รู้เรื่องธรรมะที่เข้ามาก็จะเข้ามาทางหูซ้ายแล้วก็ออกไปทางหูขวาไม่ได้แวะเข้าไปในใจของผู้ฟังเลยถ้าอยากจะฟังแล้วให้ธรรมะที่เข้ามาในหูเข้าไปในใจก็จะเป็นที่จะต้องฟังด้วยวาจาที่สงบด้วยกายสงบแล้ววาจาก็ต้องสงบด้วย นอกจากนั้นใจก็ต้องสงบด้วยเวลาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ข้อที่ 3. สมาสมสงบใจสงบวาจาแล้วสงบใจสงบใจเป็นอย่างไรก็คือไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟังธรรมไม่ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องที่ยาะไปทุราที่ตรงนั้นที่ตรงนี้หรืออะไรก็ตามในขณะฟังธรรมนี้ หยุดที่เรื่องราวต่างๆแล้วมีสติตั้งใจฟังควาที่เข้ามาในใจเข้ามาในหูแล้วก็เข้ามาในใจฟังแล้วก็ถ้าคิดตามถ้าเกิดทางเข้าใจก็จะได้สัมมาทิสุขความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะได้ความลิ่งความสงบถ้าไม่ได้คิดตาม แต่ยังฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆเป็นอยู่ในอารมณ์กล่อมใจเหมือนกับเวลานั่งสมาธิมีอารมณ์ถูกใจไว้ก็ใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์ถูกใจในขณะที่ฟังธรรมไปใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ประโยชน์ทั้งห้าประการก็จะเกิดขึ้นจะได้ยินได้ฟังธรรมที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาสอนองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว พอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทําให้ความลังเลสห์ของใต่างๆหายไปหมดจี่จะทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบสมาทิิห้าจะทําให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขมีคืออานิสงส์ประโยชน์เป็นประโยชน์สําหรับจิตใจเพราะว่า ธ ร, ร ม, มานีจะสองจิตใจให้รู้ว่าจะไปทิศทางไหนดีเพราะจิตใจนี้สามารถจเจริญขึ้นก็ได้เสื่อมลงก็ได้ซึ้นอยู่กัการกระทําของจิตใจเรื่องที่เราจะฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องืองกฎแห่งกรรมเรื่องการเยียวยาตายเกิดและเรื่องการขึ้นสุดแห่งการเยียวยาตายเกิด ก็คือเรื่องของพระนิพพานความรู้เหล่านี้จะเป็นความรู้ที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังจากสถานที่ศึกษาที่พ อ, อความรู้เหล่านี้เรารู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่งค้นทบถ้าอยากจะฟังทางฟังความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นทบนี้จําเป็นจะต้องมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกัน เพงจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่พระเจ้าทรงได้ตดรัสรู้แล้วนำมามาเผยแพายสานสอนเพืให้เรารู้ว่าจิตใจของพวกเรนี้เป็นนักท่องเที่ยวในสังสารวัฏในในภพชาติที่เรียกว่าตายภพเหยียนว่าตายเกิดอยู่ในตายภบมาเป็นเยลาอันยาวนานแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิด ต่อไปอยู่เรื่อยๆซึกง่าจะได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมที่จะสอนวิธีให <c oughs> ้หยุดการเย็นว่ายตายเกิดได้ให้ไปสืบท่านิธานแทนเป็นที่ที่จะได้ปราศจากความทุกข์ต่างๆเพราะที่นิธานนี้จะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตาย นีเคือมธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมกันจะได้ฟังเรื่องราวของใจของพวกเราที่ยังติดอยู่ในทุกข์จรรางแห่งการเย็นร้ายการเกิดแล้วก็ไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ด้วยการกระทําบาลหรือทําบุญต่างๆถ้าทําบุญมากกว่าทาบาบเวลาร่างกายตายไป บุญก็จะพาร่างกายไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงใจที่เป็นดวงวิญญาณนี้ให้ไปเกิดในอบายให้ไปเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปนเป็นอสุรกายหรือไปนรกนี่คือสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วหรือถ้าสามารถ กำจัดกิเลสตัณหาตัวที่พาให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้จิตใจก็จะไปอยู่ที่ขั้นิพพานแทนไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังไปไม่ถึงขั้นนิพพานก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วเวลาได้รับผลบุญผลบาปหมดแล้ว ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทำบุญทำบาปใหม่กลับมาหาราบยศสละเสริญหาความสุขจากสิ่งต่างที่อยู่ในโลกนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งไปจนถึงวันตายตายก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ่สุด ทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ของความตายการเกิดจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าไม่ได้มาเกิดแล้วจะได้มาเจอแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจะต้องมาเจอกับความทุกข์ของสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆเช่นร า, าบยศท ะ, ละเลเิญ และความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ถาวรได้มาแล้วก็มีวันหมดไปได้เวลาจเจริญก็ได้ความสุขเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาถึงเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานอกจากนั้นร่างกายก็เช่นเดียวกันร่างกายไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสุขตลอดเวลา ร่างกายตอนช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นปกติสุขดีอยู่แต่พอเริ่มเข้าวาัยชราอาการเจ็บปวดต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาเพลินเล็กเพลิน้อยโรกภัยไข้เจ็บก็จะตามมาตั้เป็นขบวนไปจนถึงวันที่ร่างกายต้องตายจากโลกนี้ไปดันั้นการมาเกิดนี้ไม่ได้เป็นการมาหาความสุขเพียงอย่างเดียว สุขที่ได้นี้เมื่อมาเทียบกับความทุกข์แล้วมันความทุกข์นี้มันแสนสาหัสยิ่งกว่าความสุขเราให้ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ต่างเวลาเจอโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี้เงินทองร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เลย น, นี่คือธรรมะที่เราจะได้ยินได้ฟังกัน เวลาที่เรามาฟังทำกันแล้วก็จะได้ยินได้ฟังวิธีที่จะทำให้จิตใจของเรานี้เดินทางออกจากโลกแห่งการเวียนว้ตายเกิดไปได้อย่างสงบได้อย่างปลอดภัยก็คือมีการกระทำที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำาคือสามข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่ง ให้เราละา ก, การกระทำบาปทั้งปวงเพราะการกระทำบาปนี้แหละเป็นผู้ที่จะดึงใจของเราให้ไปเกิดในอบายกันไม่มีใครอยากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครอยากจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นอนุสลรกายหรือไปนรกกันเพราะมันเป็นที่มีแต่ความทุกข์ไม่ค่อยมีความสุขมีความทุกข์มากกว่าความสุข มีความทุกข์มากกว่าความสุขวิธีที่จป้องกันไม่ให้ใจเราไปตกอับายก็คืออย่าทำบาปเท่า น, นั้นเองเพราะว่าการกระทำบาปนี้เป็นผู้พาให้ไปเกิดในอบายถ้าเราไม่กระทำบาปได้ก็จะไม่มีตัวที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอับายได้นั่นเองบาปก็มีอยู่ห้าข้อคือการฆ่าสัต การรักทรัพย์การกระพื่อมิตในก า, การพูดปดและการเด่นสุาของมึนเมาต่งางๆที่จะทําให้ไม่มีสติคอยย้ยั้งใจย้ำยั้งการกระทําบาปได้นั่นเองเวลาเด่นสุาแล้วเกิ<ม>อดอาการมึนเมาพอคิดจะพูดพอคิดจะพูดก็ดีทําบาปก็ดีก็จะพูดไปทันทีทําบาปไปทันที แต่เวลาที่ยังไม่มีการดื่มสลายยังไม่มีอาการมึนเมาเวลาคิดที่จะพูดไม่ดีทาไม่ดีก็ยังสามารถยับยั้งได้เพราะมีสติพอไม่มีสติแล้วพอนึกนึกจะพูดอะไรจะทำอะไรก็จะพูดทันทีทำทันทีดังนั้นจึงต้องไม่ให้ดื่มสลายยาเมากันอย่าให้เกิดอาการมึนเมาขาดสติขึ้นมา ก็จะนําไปสู่การกระทําบาปต่างๆนั่นเอง <c oughs> วิธีทําให้เราไม่ต้องทํำบาปก็คือเราต้องรักษาสี่ห้ากันให้ได้สี่ห้าก็จะสอนให้เราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้ละเว้นจากการกระทําผิดในกรรมละเว้นจากการ <c oughs> พูดปด่น เว ล, ละเว้นจากการดึ่มสุร า, ยาอย่างเราถ้าเราสามารถรักษาสิ่งห้าไปได้ตลอดชีวิตบาปเราก็จะไม่ได้ทําเลยเมื่อไม่ได้ทําบาปบาปที่จะเดินใจให้ไปอบายก็จะไม่มีเวลาตายไปใจก็จะไม่ต้องไปจดในอบายถ้ายังไม่ได้ทักท้องจิตใจให้สะอาดกำจากกิเลสตัณหาตัวที่พาให้จิตใจกลับมาวิว่งไล่ตายเสียอยู่ ก็จะต้องยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก่อนแต่ไม่เวลาตายไปไม่ต้องไปใช้กรรมในอบาย mm hmm. เวลามมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเมาตามราวี <c oughs> นี่คือข้อที่หนึ่งให้ปิดประตูบายด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองก็คือถ้าเราอยากจะไปสวรรค์กันอยากจะมีความสุขกัน เราก็ต้องทำบุญทําทานตามโอกาสต่างๆที่เราสามารถทําได้มีมากมีน้อยก็ทําไปใําทำในส่วนที่เป็นส่วนเกินเงินทองเข้าของที่เราไม่กินไม่ใช้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาเงินทองส่วนนี้ไปทำบุญทาทานไปซื้อสวรรค์กันเวลาตายไป ถ้ามีบุญสะสมอยู่ในใจบุญก็จะพาให้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อน่านไปอยู่ในสวรรค์ก็เหมือนกับเราไปเดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆที่เราไม่เคยไปเวลาไปท่องเที่ยวเราก็มีคามสุขมีความเพลิดเพลินเพราะเป็นเวลาที่เราไม่ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราอยู่บ้านล้วต้องไปทำงานทำการ เวลาเรากลับมาบ้านกลับมาทํางานทําการเราก็มักจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องราวต่างๆแต่ในขณะที่เราไปเที่ยวนี้เราไม่ต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของความทุกข์ได้เพลิดเพลินกับการเสิร์ลูกเสียงจิ้มรสต่างๆถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้แทนที่ยาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆ แทนที่จะเอาไปใช้กับการดไปเที่ยวไปกินไปดื่มรู้เอาเงินนี้ไปทําบุญทำทานดีกว่าเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วก็จะได้ไปสวรรค์กันถ้าบุญที่เราทํานี้มันจะสะสมอยู่ในภพหน้าชาติหน้าด้วยเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีเงินทองรอรับเราอยู่จะกลับมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีฐานะการเงินทองการเงินการทองที่ดี มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีมีรูปล่างหน้าตาที่สวยงามเป็นต้นอันนี้จะเป็นอ น, นิสงส์ของของบุญที่เราทํากันในชาตินี้มันจะไปโผลในชาตินะ้ชาติต่อไปถ้าเรายังต้องจำมาเวีรนายตายเกิดอยู่เราก็จะเวียน่ายตายเกิดอยู่ในสุติทาบุญทำทานตายไปก็ไปสวรรค์ จากจักรสวรรค์ลงมาก็กลับมาักิดเป็นมนุษย์ก็กลับมนมนุษย์ที่มีฐานะบ้างคั่งมีความสุขมีบารมีมีวาสนาก็สามารถก็จะกลับมาทาบุญทําทานต่อรักษาศีลห้าต่อไม่ทําบาป ก, ก่อตายไปก็จะไปสวรรค์ก็จะเวียนว่ตายเกิดอยู่ในสุคติอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนศาสตรจะสามารถชาระจิตใจให้สะอาดริสุทธ ทำจากทิเลสตังหาตัวที่ทำให้จิตใจต้องมาวิยนร่าตายเจ็บได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนร่ายตายต่อไปก็จะไปที่นิพพานการที่จะไม่กลับมาวิยนร่ายตายเจ็บได้ก็ต้องมีการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาเป็นการซักขอ้อจิตใจให้สาารอาดบริสุทธิ์พระพเจ้ า, าทรงสอน ให้ปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆเด้วยกันข้อที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปเพื่อปิดประตูบาปข้อที่สองให้ทำบุญต่างๆให้ถึงพร้อมเพื่อจะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์และข้อที่สามให้หยุดการกลับมาเกลียดแเกลียดกายด้วยการซัก้อกจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนาจิตตะภาวนานี้คือการ ยกระดับจิตใจให้สูงซึ่งให้มีทางสงมให้มีความสุขมากขึ้นถ้ามีปัญญามีทางรู้ความฉ ล, ลาดที่จะสามารถแยกแยะอะไรเป็นเหตุที่พาให้มาวินว่ายเกิดและสามารถที่จะตัดสิ่งที่เป็นเหตุที่พาให้มาวินว่ายจเกิดได้ต้องใช้ปัญญา ในเรื่องต้นการที่เราจะมาซักข้อจิตใจด้วยการปฏิบัติศึกษาภาวนาเราต้องมีการปฏิบัติเนธัมมะด้วยเนธัมมะก็คือการการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายทงลูกเสียงจิตนดัดการปฏิบัติเนธัมมะก็คือการถึสถึงแปดนี้ถึงห้า น, นี้ยังไม่ได้ถึงว่าเป็นการปฏิบัติเนธัมมะ ข้อศีลห้ายังอนุ ญ, ญาตให้เสกความสุขจากรูกศิลป์จิ่นัดต่างๆได้แต่พอมาถึงศีลแปด น, นี้ก็จะห้ามไม่ให้เสกเรื่องศีลข้อสามก็จะเป็นนามธรรมวจารียคือการถือศีลความจริงคือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้หาความสุขจากการร่วมเพศกันและก็เพิ่มศีลข้อหกไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหาร ได้เครื่องดื่มต่างๆตามความอยากให้รับประทานให้ดื่มได้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้อดอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ปวดเลี้ยงดูร่างกายเพื่อดับความหิวของร่างกายได้แต่ไม่ให้รับประทานไม่ให้ดื่มตามความอยากจึงมีต้องเวลาห้ามไว้คือไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอหลังเที่ยงวันแล้วก็ รับประทานอาหารไม่ได้แล้วเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสก็ไม่ควรดื่มถ้าหิวน้ําก็ควรจะเดื่ม น, น้ําเปล่าเท่านั้นยึ ด, ด, ด, ดการหามความสุขจากลูกเสียงกิ่นรสของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆโดยการถืสิึงข้อหกมิการรัโภชนาเวลมันยไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว เพราะว่าร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้วกินวันละครั้งสองครั้งนี้ก็เหลือเฟือแล้วสามารถรักษาให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขได้ไม่หิวไม่โหยไม่เจ็บไข้ได้โปรดไปอย่างใดแล้วก็มาถือสิ่งทอที่เจคือระงับการหาความสุขจากมหัศรสย บ, บันเทิงต่างๆคือการดูการฟังพวกบันเทิงทั้งหลาย ดูหนังาำเพลงร้องรำทำเพลงไปเที่ยวตามงานต่างๆไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆเป็นต้นไม่ให้หาความสุขจากการเสพลูกเสียงกลิ่นรถรถกระทแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการงสางวยความงานของร่างกายไม่ให้ใช้เครื่องสำอางใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆไม่ให้ใส่เสื้อผ้าที่เป็น เสื้อผ้าวิจิตพิสดาเสื่อผ้าที่มีสีสันต่างๆให้แต่งกายแบบเรียบง่ายทุกขาวเป็นต้นทำ น, น้ำเสร็จแคเพียงแต่รีเท่ารีผมให้เรียบร้อยก็พอความสวยของร่างกายนี้เป็นความความสวยชั่วคราวให้เรามาสร้างความสวยของจิตใจดีวกดว่าโดยการมาปฏิบัติจิตตภาวนาเอาสิเลตการหาความโลภความโกรธที่เป็นตัวที่ ทำให้จิตใจไม่สวยงามออกไปดีกว่าทำจิตใจจะได้เป็นจิตใจที่สวยงามต่อไปได้เราก็ถือสิอ่งทอที่งคือไม่นอนมากเกนไปไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายซึ่งปกติร่างกายนี้คืนหนึ่งได้นอนพักสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงแนละ้ววิธีที่จะทําให้ไม่นอนมากกว่าสี่ห้าชั่วโมงก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนเตียงที่มีผูกด้านหนา นอ น, นบนเตียงที่มีความสุขก็จะเตียงสำราญเพราะว่าถ้านอนบนคูกหนาะๆเวลาตื่นขึ้นมาเวลาร่างกายได้พักผ่อน 4-5 ชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่ออีกสั่ง4ชั่วโมงก็จะทําให้ถึญเสียเวลามีค่าที่ยาวไปใช้กับการปฏิบัติจิตธภาวนานั่นเองจึงจําเป็นต้องนอนบนเตียแข็งๆนี่ พูดด้วยท่าด้วยเสียงก็พอนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงพอละว้่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็มานั่งสมาธิไหว้พระส่วนนต์เจริญจิตตะภาวนาต่อไปการเจริญจิตตะภาวนา น, นี้ก็เพื่อซักพ้อกิเลสตัณหาตัวที่พาให้จิตใจมาเวรเวรตายเกิดขั้นแรกก็ทักพ้อด้วยการทําใจให้สงบเวลาใจสงบนั่งสมาธิ มีกรมาฐานเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้คิดถึงเรื่องอย่างนี้ใจก็จะนิ่งใจจะนงบได้พอสนวกิเลสปัญหาก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ได้เพราะว่าสมาธิของกําลังของสมาธิจะกดกิเลสปัญหาไว้อันนี้ก็เป็นการหยุดกิเลสชั่วคราวไว้ก่อนเวลากิเลสหยุดทํางานก็จะเห็นผลว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งความสุขที่เกิดจากความสงบ ระงับจากกิเลสปัญหานี่เรื่อความสุขก็จะทําให้เรามีปัญญามีเห็นความเห็นว่าตัวที่มาสร้างความสุขสร้างความเมื่อยใจให้กับเราก็คือตัวกิเลสปัญหาความโลภความอยากต่างๆนี่ดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาพอกิเลสปัญหาพื้นขึ้นมาเรื่องต่อกวนก็ใช้ปัญญามาระงับได้ทันทีปัญญาก็จะถองใจให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสปัญหาความโลภความอยากต้องการนั้น ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราได้ไปตลอดไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองก็ดีไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นความสุขจากลูกเสียงกิ่นรสก็ดีของเหล่านี้ล้วนเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็เกิดความสุขเวลามันจากไปก็จะทําให้เกิดทางเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเศร้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหาสิ่งใดตามมา เมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเหลวตัณหาต้องการนิรุนต์แต่เป็ความทุกข์ก็จะไม่กล้าไม่อยากที่จะไปหาอะไรก็จะหยุดทางอยากได้ความอยากที่เคยมีในใจก็จะหายไปเพราะรู้ว่าถ้าไปทําตามความอยากก็เท่ากับไปหาความทุกข์สู้ไม่ไปสู้ไม่ทำอยู่ดีอยู่เฉยในขณะนี้สบายกว่าพอหยุดความอยากได้ใจที่วุ่นวายจากความอยากก็จะสงบตัวลงแล้วก็เหมือนกับได้เข้าสมาธิ พรกิเลสไม่ทำงานเสียแล้วกิเลสการหาหยุดทำงานใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพียงใจหยุดกัรหาความอยากให้ได้เท่นั้นเองแล้วถ้าเราสามารถหยุด ต, ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะกลายเป็นพาวนิพานขึ้นมาใจที่สงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาเพราะตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจถูกกําจัดไปหมดด้วยปัญญานั่นเอง ไม่มีการถามความอยากไม่มีความโลภ ก, กิเลสเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะเป็นใจที่สะอาดลอยสุใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปใจที่มีบรลลังก์มรเป็นความสงบที่ยังยืนถาวรที่ไม่มีวันทิ้งติมีคือผลที่จะเกิเขึ้นจากการซัดข้อจิตใจให้สะอาดลอยสุดด้วยการทําสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาตามลาําดับ หลังจากนั้นใจก็จะไม่ต้องมาเรียนร่ายใจเกิดไม่ต้องมาทุกข์อึตสาหไปนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามประการคือไม่ทําบาปเพื่อปิดประตูอบายทําบุญเพื่อเปิดประตูสวรรค์และซักข้อจิตใจเพื่อเปิดประตูข้านมิถานถ้าเราทําทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะได้สร้างความสุขความเจริญให้กับจิตใจเราถึงขั้นสูงสุด จึงเรียกว่าเป็นมงคลที่สูงสุดที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมนี่เพราะเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้วิธีที่จะยกระดับจิตใจของเราให้เจริญขึ้นไปตามลําดับด้วยการกระทําตามที่พระเจ้าทรงสอนคือละการกระทําบาปทําบุญทำผู้สนต่างๆให้ถึง็พร้อมแล้วก็ทราบข้อจิตใจให้ทราบบริสุทธิ์นี่แหละคือมงคลอย่างยิ่งใหญ่ ที่ตามมาต่อไปถ้าท่านนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินไม่ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติจนสําเร็จท่านจะพบแต่ความสุขคาเจริญโดยถ่ายเดียวอย่างแน่นอนการแสดงก็ชคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงทำไว้เสียงครั้ น, นี้เพราะว่าในระดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเรา จ, จะมาปฏิบัติจิตกัปปวนามาซักฟอกจิตใจให้สะอาดชั่วคราวก่อน ทำใจให้สงบเวลาใจสงบกิเลยตัณหาตัวที่ทำตัวที่ทําให้จิตใจเศ้าหมองตัวที่ทําให้จิตใจไม่สดชื่นเบิกบานก็จะสงบตัวลงพอกิเลสตัณหาสงบตัวเราความสดชื่นเบิกบานความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาในใจโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขจากที่อื่นเลยเรามีความสุขที่เยอะที่ปเป็ฐอยู่ในตัวของเราแล้วเออยู่ในตัวของเราอยู่แล้วแต่เราไม่รู้วิธี ทำให้มันจ่อยขึ้นมาเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีวิธีที่ทำให้ความสรงในใจเราโผล่ขึ้นมาก็คือทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้วิธีที่ทําใจให้นิ่งให้สงบต้องมีมีสติละเลิกรู้คอยผูกใจให้อยู่กับอารมณ์กอมใจที่เรียกว่ากรรมฐานึห้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธก็ดีอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกก็ดี เลื่ออยู่กับการส่วนมนไมว้พราก็ดีการกระทำเหล่า น, นี้เป็นการผูกใจให้อยู่กับที่ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถใช้สติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเ น, นื่องสีห้านาทีทท้งนั้นแ่ะใจของเราก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่เผลอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้ใจไปที่ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียอย่างเดียว เวลานั่งสมาธิเราจรึงจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่คอยผูกใจไว้คอยดึงใจไว้คือสติาการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ทาบริกรรมพุทโธก็ได้หรือถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุทโธไม่ได้ใจยังฟุ้งอยู่ก็ใช้การสวดวนไปก่อนก็ได้หรือใช้การสังเทศสังธรรมอย่างที่เราได้ฟังกันมาตอนนี้ก็ได้ การทำธรรมมันก็จะทำให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่มันจะไม่สงบเท่ากับการที่เราเอาเอาสติมากำกับใจให้อยู่กับพุโทโธก็ดีหรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดีงั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเช่นตอนนี้ขอให้มีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าใช้ลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวถ้าใช้คาบริกรรมพุโทโธก็ใช้คาบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียว แต่บางท่านอยากจะใช้ทั้งพุโทโธทั้งลมด้วยก็กสามารถทําได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้หรือถ้าท่านเคยใช้กรรมฐานในรูปแบบอื่นก็สามารถเอามาใช้ได้ไ ม, ไม่มีข้อบังคับข้อห้ามถ้าเคยใช้สัมมาละหังก็ใช้ได้ถ้าใช้การเพ่งลูกแก้วก็สามารถทําได้หรือจะมีวิธีไหนที่ทําให้ใจนิ่งให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน เพราะว่ากรรมฐานเนืออารมณ์ที่กล่อมใจนี่มีหลายชนิดด้วยกันซึ่งแต่ละคนอาจจะได้เรียนรู้มาไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้ไม่บังคับกันขอให้ใช้กรรมฐานที่ปูกใจทําใจให้นิ่งให้เข้าสู่สมาธิได้ก็แล้วกันและเวลานั่งก็อย่าไปสนใจเวลาอะไรมาเข้ามาปรากฏมีเสียงเข้ามามีภาพเข้ามามีอารมณ์ต่างๆเข้ามามีความคิดเข้ามา อย่าไปตามรู้ให้ดึงกลับมาอยู่ที่พุทโธหรืออยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ถ้าเราใช้ลมก็กลับมาที่ลมใช้พุทโธก็กลับมาที่พุทโธอย่าทิ้งลมหรือพุทโธไปจังกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิเวลามจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบแล้วมันก็จะมันก็จะหยุดไปแล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันประมาณสักยี่สิบหนาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งเราสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งคราวหน้าอยากจะให้มันสงบเหมือนวันนี้ก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอย า, อยากมันจะสงบด้วยวิธีนั่งที่เราทําอย่างวันนี้ ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยพยายา ม, มฝึกสติระหว่างวันให้มากขึ้นเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เราเลือกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ให้เฝ้าดูจดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวกับการทํา ง, งานของร่างกายไปก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นการนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุรปาปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกบปติอิติตังปะทิตังตุมหังคิดเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณนิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีริสานิจังวุทธาปจายิโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองนก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติสองร้อยสี่สิบสี่ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสองร้อยเจ็ดสิบแปดท่านทาง u t u b e ดรวีสี่สิบเจ็ดท่านทางวิทยุออนไลน์สิบท่านทางคลับเ o u s ์ เจ็ดท่านผู้รับฟังหน้ากุติหนึ่งสิบท่านรวมทั้งหมด698้ท่านครับกราบครับนัมรรการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุติถามเข้ามาว่าเวลานั่งกรรมฐ า, านเราปวดขามากๆจะแก้ไขยอย่างไรครับหรือว่าเวลาป่วยไข้เจอเวทนามากๆ สวางสิทธตยอย่างไรครั บ, บ, บการรรบัดการครับต้องเร่งสติให้มากขึ้นต้องใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่าหยุดบริกรรมให้อยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจจะเย็นใจจะวางเฉยได้แล้วอาการเจ็บปวดก็จะไม่มารบกวนใจต้องพยายามใช้พุทโธในช่วงที่มันเจ็บปวดอย่นั่งเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากยิ่งปวดใหญ่ ให้ลืมเรื่องความปวดไปให้อยู่กับพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปนี้เดี๋ยวการปวดก็จะไม่มาบรบกวนใจใจก็จะนิ่งใจก็จะมีความสุขเจ้าค่ะจากทางยูทูปพระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนสอบถาม น, น้ำสกการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นมะเร็งเต้านมระยะต้นก่อนผ่าตาดัดมีพระรอริยส่ง์ท่านหนึ่งมาแจ้งว่าเขาไม่ปล่อยนะให้ไปบวชซะยอย่างน้อย สิบสองวันให้ไปไปกลๆต่างประเทศยิ่งดีคนบวชชีพรามได้หรือเปล่าคะการบวชไม่ได้มารักษาโรคมะเร็งได้หรอกอเพราะฉะนั้นเราต้องมารักษาใจเทั้นั้นการบวชนี้เพื่อรักษาใจให้ใจเรานิ่งให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับการเก็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเรื่องร่างกายนี้ต้องพึ่งหมอพึ่งยาเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเป็นความเชื่อมากกว่าเรื่องกรรมเวรเรื่องอะไรตา่างๆ อาจจะมีจริงก็ได้ถ้ามีเราก็ทําอะไรไม่ได้เราไปลบล้างกรรมเวรของเราที่เราทํามาไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะแสดงผลมันก็ต้องแสดงผลขึ้นมาเราทําใจให้สงบแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับวิบากที่มันจะตามมาต่อไปให้มาแก้ที่ใจถ้าจะอยากจะแก้ปัญหาให้แก้ที่ใจทําใจให้สงบแล้วปวงวางร่างกายให้ได้ถ้าปรลงวางร่างกายได้เราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเลย เจ้าค่ะจากทางดร์วีชา nel จากคุณใบ ย, ยกว่าลูกไม่เข้าใจในการนั่งสมาธิเจ้าค่ะเพราะปัจจุบันลูกสงบรวมได้ดีเวลานั่งแต่ลูกยังติดขัดเรื่องปัญญาที่จะใช้ในการลบปัญหาไม่ให้มาขุ่นมัวในจิตใจลูกต้องนั่งสมาธิเพิ่มถูกไหมคะเหตุเกิดจากการปฏิบัติใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ก่อนแม้แต่จิตตนลูกยังมองไม่เห็นเจ้าค่ะ ปัจจุบันลูกแค่เห็นจิตตนเจ้าค่ะคือการนั่งสมาธิก็เพื่อทำให้จิตสงบหยุดปัญหาต่างๆไว้ชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาปัญหาเก่าที่มีอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะแก้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญหาต่างๆเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ พอมัน ไ, ไ, ไม่เป็นมันก็เลยทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์หรือทําให้เราเสียใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะเครียดอยากจะทุกข์อยากเสียใจเราต้องไปหยุดความอยากของเราสิงสิ่งที่เราอยากก็พิจารณาเห็นมันเป็นทุกข์เช่นอยากได้แฟนอย่างนี้อแฟนก็เป็นทุกข์เพราะว่าแฟนเป็นของไม่แน่นอนสามันดีสีมันไขวันนี้เขารักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้ดังนั้นอย่าไปมีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า พอเราอยุดความอยากไม่แฟนได้ความเหงาความอะไรต่างๆมันก็จะหายไปปัญหามันก็จะหายไปก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายนี่คือการใช้ปัญญาหาสาเหตุเหตุที่มาทําให้ใจเราเศร้าทําให้ใจเราไม่มีความสุขก็จากความอยากอยากในสิ่งที่เราอยากแล้วไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ก็จะทําให้เราเศร้าแต่ถึงแม้ถ้าเราได้มาเดี๋ยวมันก็ทําให้เราทุกข์อีกเพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่แน่นอนมันอาจจะอยู่กับเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ไปก็ได้ แล้วมันเปลี่ยนไปก็ได้เห็นทางที่ดีอย่าไป ม, มีอะไรดีกว่าหยุดความอยากได้แล้วใจจะสงบเหมือนเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะเรากำจัดตัวที่ทาให้ใจเราวุ่นวายคือความอยากได้เจ้าค่ะจาก u t u b e พิจารณาค่ะขณะเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆ ใ, ใจครุ้นคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆนานารู้สึกถึงความเค็งควา้างเศร้าหรือเป็นอารมณ์ที่มีรสขม นี่คือการถูกข้อครอบงําด้วยกิเลสใช่ไหมคะใช่เป็นความคิดไปทางกิเลสอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไปตามความอยากมันก็เลยทําให้เราเศร้าขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาเราต้องเริ่มสติพุทธโธพุทธโธไปเลยหรือท่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากได้มันได้แล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันเจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กพระจารย์เจ้าค่ะ กินเบียเพื่อให้นอนหลับดีกินได้ไหมคะก็แล้วแต่คุณคุณชงเกลียมาถามเราทำไมถ้าถามว่าผิดศีลหรือไม่ก็บอกผิดศีลไม่ไม่ควรดืม่มเพราะดื่มแล้วมันจะติดมันจะเป็นเดิมตอนที่ไม่ไม่ลับด้วยนี่อนไหนนอนไม่หลับลก็เลยกินัสองสามขวดจาก YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนวัสกรรมพระอาจารย์ค่ะ เพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิอยากทราบว่าความแตกต่างของสมะถะภาวนากับ ว, วิปัสนาภาวนาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ระดับวิปัสนาภาวนาค่ะเราต้องผ่านขั้นสมะถะก่อนผ่านขั้นสมาธิทำจิตให้รวมเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนถ้าเราจิตเราเน่งรวมนั่งสมาธิแล้วเน่งเฉยเป็นช่วโมงนี้เป็นหลาย10นาทีีเออ้เป็นอุเบกขาวางเฉยมีความสุข อันนี้แสดงว่าเราได้สมาธิแล้วแล้วพอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราเกิดความทุกข์ใจก็ใช้ปัญญาแล้วทีนี้ใช้วิปัสสนาหาสาเหตุของความทุกข์ใจพ mm ุ hmm. ทธเจ้า บ, บอกความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเรา mm hmm. ค้นหาดูเรากําลังอยากอะไร mm hmm. อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้ก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมา mm hmm. แต่ทางถ้ามันอยากจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเหมือ น, นก็เป็นทุกข mm ์ hmm. ได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเสียใจในภายหลัง mm hmm. พอมันเปลี่ยนไปหรือมันจากเราไป เพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เปนของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมเก็บไว้เป็นของเราได้ mm. ก็อย่าไปอยากดีกว่าพอเราเลิอกอยากถ้าความสงบก็กลับมาความทุกข์ก็หายไปอันนี้คือขั้นปัญญาต้องใช้ความคิดวิเคราะห์เหตุผลเหตุก็คือความอยากผลก็คือความทุกข์อยากให้ทุกข์ดับก็ต้องหยุดเหตุก็คือความอยากหยุดความอยากด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ เจ้าค่จากทางเฟซบุ๊กเค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่เมื่อวานลงนั่งสมาธิแล้วอยู่กับพุทโธต่อเนื่องไปเรื่อยๆรู้สึกปวดร่างกายก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเหมือนวูบลงจากที่สูงขณะนั้นรู้สึกสงบอย่างประหลาดหัวหัวขาวโพลนไม่รู้สึกถึงลมหายใจตัวเบาวิวรู้สึกสบายแบบไม่เคยเป็นมาก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานหัวใจก็เต้นแรงด้วยความตกใจกําหนดรู้ว่ากลัว แต่ดูต่อไปไม่ไหวจนต้องถอนออกจากการนั่งสมาธิหัวใจยังคงเต้นแรงจนสักพักก็กลับเป็นปกติอยากเป็นถามพระอาจารย์สองข้อค่ะข้อที่หนึ่งอาการแบบนี้ปกติไหมคะไม่แน่ใจว่าปฏิบัติมาถูกทางไหมถ้าไม่ถูกจะแก้ไขอย่างไรดีคะแล้วถ้ามาถูกทางอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรคะนั้นก็ ถ้ามันลงจากที่สูงมาแล้วนิ่งสงบเกิดความสุขก็เรียกว่าสมาธิอาการของสมาธิเป็นอย่างนี้แต่มันอาจจะไม่เกิดทุกครั้งก็ได้ผลมันอาจจะเกิดหลายรูปแบบด้กันบางทีไม่ตกจากที่สูงก็ได้อยู่ดีๆก็นิ่งเฉยไปสงบไปก็ได้พอสําคัญก็คือให้มันสงบแล้วมีความสุขให้พยายามปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นเพอถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะมีความสบายไม่อยากจะไปไหน อยู่อย่างนี้สบายไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเจ้าค่ะข้อที่สองถ้าคราวต่อไปภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเจอการแบบนี้อีกเราควรปฏิบัติอย่างไรให้ผ่านตรงนี้ไปได้คะใช้สติสักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยๆไปรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังกําลังกาลังเจอนี้เป็อนอนิจจังเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองไม่ต้องไปทำอะไร สาขาจาก youtube ดรวีค่ะช่วงเร่งภาวนาสามถึงเวันผ่อนอาหารอดนอนมีวิธีจัดการกับร่างกายยังไงบ้างครับเดินหรือนั่งมากกว่ากันครับอ๋อแล้วแต่เราข้อสาคัญให้มีสติทุกเวลาเดินก็ต้องมีสตินั่งก็ต้องมีสติจะเดินมากกว่านั่งนั่งมากกว่าเดินนี่ก็แล้วแต่ความพอใจได้ทั้งนั้นแต่ขอให้เรามีสติตลอดเวลา ให้ปฏิบัติตลอดเวลาปฏิบัติสติไปตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติแล้วเดี๋ยวกิเลสความอยากกินข้าวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทําให้รู้สึกหิวจนทรมานใจจนอาจจะไม่สามารถอดอดต่อไปได้แต่ถ้าเรามี ส, สติคอยควบคุมความอยากไว้ใจก็จะไม่หิวใจก็จะอยู่กับความความว่างความสงบได้โดยที่ไม่เดือดร้อนอะไรอะเชิญถามค่กะกลาวนามาต ร, รการพระอาจารย์ค่ะ จากที่หนูปฏิบัติแล้วก็ฟังหลายๆคนถามแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายอะค่ะคือเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วพอพอหนูหยุดลมหยุดจับลมหยุดร่างกายแล้วโฟกัสแต่พุโทโธพุทโธทีทีอะค่ะมันก็จะกลายเป็นความเงียบแล้วมันก็มีความสุขแทรกขึ้นมาลึกลงไปถึงใจเลยค่ะเย็นเข้าไปในใจแล้วหนูก็รู้สึกแบบเบิกบานใจอะค่ะแล้ว มันมันออกจากสมาธิเองแต่ว่าความสุขมันเย็นอยู่ในใจอะไรเงี้ยหนูก็เลยมีความสงสัยว่าทําไมความสุขของหนูกับความสุขของคนอื่นที่เขาถามมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหนูไม่ได้มีความรู้สึกเบาสบายเหมือนอยู่ในอวกาศเลยอะค่ะก็ได้เหมือนกันอ่ะมันขอให้เป็นความสุขก็แล้วกันสูกแบบสุขจากการกินแพสซี่และสุขจากการกินน้ําส้มก็ไม่เป็นไรขอให้มันสุขก็แล้วกัน มันไม่ใช่แบบว่าเพราะเรายึดติดอะไรใช่ไหมว่ามันสุขแบบเหมือนผูมีบุญมากแบบทําบุญร้อยล้านพันล้านแบบเยอะมากๆเลยอะคะ่ะเย็นเนี่ยขอให้มันสุขแบบนั้นก็ใช้ได้ของขอ ง, ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่เอแต่เป้าหมายการเดียวกันคือความสุขใจเยน็นใจสบายใจแล้วถ้าแบบในอนาคตเกิดความสุขแบบนี้อีอะค่ะแบบคือมันเยอะมากทำบ่อยๆทำให้ให้มันสุขทั้งวนันทั้งคืนเลย อ๋อหนูสามารถแบ่งความสุขอันนี้ให้กับดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วได้ไมไม่ได้หรอกของใครของมันอย่างพระเจ้าก็แบ่งนิพพานให้พวกเรากันคนละคนละชิ้นนั่นเองแบบว่าอุทิศบุญให้ไม่ได้ใช่ไหมคะบุญแบบนี้อุทิศไม่ได้อยอุทิศบุญต้องทําบุญใส่บาตแล้วก็อุทิศไปอ๋อพอดีหนูเห็นว่าแบบมันสุขมากอยากจะให้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเขาให้นั่งให้เขานั่งสมาธิเหมือนเราเท่านั้นเขถึงจะได้ความสุขแบบนี้ ได้คะ่ะถ้าจะให้กับคนที่ตายไปแล้วก็ต้องทําบุญทําทานเท่านั้นใช่ไหมทาบุญทําทานทรบาทถวายสังฆทานเรือการ ท, ทานองนี้อ๋อได้คะ่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคะ่ะเวลาหนูอยู่บ้านนะคะไม่ได้มาถือศีลแปดที่วัด น, นะคะหนูก็จะฝันดีบ่อยๆอะคะ่ะแบบว่าไปเที่ยวบ้างไปกินอาหารที่ดีคนเอามาให้อะไรอย่เงี้ยแปลกๆใหญ่ๆอะไรเยอะๆจนแบบตื่นมาหนูยังรู้สึกอิ่มไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลยอะคะ่ะต่างกับวันที่แบบ บางวันที่ไม่ได้ฝันมันก็จะเฉยๆไม่ได้มีความสุขอะไรอะค่ะดังนั้นคาถามหนูก็คือว่าอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกว่าคนที่เป็นพรมอะค่ะเขาจะจิตสงบแล้วก็ไม่ฝันนะคะหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วอย่างถ้าเขาไม่ฝันนะคะเวลาเขานอนหลับเขาจะมีความสุขยังไงหรอคะอความความไม่ฝันมันมีสองแบบแบบแบบพรหมแบบเข้าสมาธิกับแบบคนที่ไม่ใช่เป็นไม่มีสมาธิแต่มันเหนื่อยลไม่ลไม่ฝันแล้วไม่ปรงแต่ มันไม่เหมือนกันแบบที่ไม่ไม่เป็นสมาธิมันจะไม่มีความสุขนงบานที่เราคิดมากจนข้างล่างเหนื่อยเวลานอนหลับก็เลยหยุดคิดหยุดฝันไปชั่วคราวแต่ถ้าเป็นพรมแล้วจะมีความสุขตอนหลับใช่มคะมีคมสุขไหมตอนที่เราเข้าสมาธิอ๋อแม้ว่าเราจะหลับแม้เราจะหลับแต่ความสุขเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิอ๋อจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราฝันว่าไปเที่ยวไปกินไป น, นั่ น, นเกิดจากการทําบุญทําทานค่ะ อันนั้นบุญชั้นเทพไปเที่ยวโลกทิปต่างๆไปกินไปดื่ไปดูไปฟังอะไรนะีเกิดจากการทำบุญทาทานแต่บุญของพรมนี้เกิดจากการทำใจให้สงบนั่งสมาธิตื่นมาอย่างตอนอุฝานถ้าตื่นมาก็ยังมีความสุขยัง ม, มันยังค้างๆอยู่ในใจมันมันบ่งบอกว่าใจเรามี ม, มีมีบุญมากกว่าบาปถ้าบาปมากกว่าบุญเราจะฝันร้าย ฝันว่าไปถูกคนนั้นเขาฆ่าคนนั้นเขามารังแกถูกคนนั้นเขามาเบียดเบียนอะไรต่างๆถ้าฝันแบบนี้ก็แสดงเรามีบาปเยอะกว่าบุญค่ะแต่ถ้าเป็นพรมแบบนั่งสมาธิจิตรวมได้อยู่เรื่อยๆตอนหลับก็จะมีความสุขเหมือนกันมีควา ม, ม, วามสุขบรรยากาศตอนที่นั่งสมาธิอ๋อแต่ว่าก็จะไม่ได้ฝันแต่ว่ามีความสุขใช่ไหมครับมันเย็นมันสบายอืมค่ะขอหมดคำถามค่ะอาจารย์ของอคุณค่ะอ่าทุอ จาช่องดร์วีชาแนลเจ้าค่ะถ้าบางช่วงมีโมหะมากกว่าควรฝึกสติก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิหรือสามารถนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มความสงบในใจคะถ้าจะเพิ่มได้ก็เพิ่มไปเลยแต่เพิ่มได้ก็ต้องมีสตินั่งสมาธิจิตจะสงบก็ต้องมีสติถ้านั่งแล้วไม่สงบก็สแสดงว่าสติยังมีไม่มากก็ต้องไปฝึกสติให้มากก่อนค่ะทาง youtube พระฌารย์เจ้าค่ะ กรับเรียนถามเจ้าค่ะถ้ามีคนนําปลาสดมาขายให้เราเพื่อ น, นําไปปล่อยหรือนําไปทำอาหารแต่เราไม่ซื้อนับว่าเป็นการขาดความเมตตาสัตว์ใหม่เจ้าคะไม่หรอกก็เราอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่เราจะซื้อหรือจะช่วยเขาได้แต่ถ้าเรามีความอยากจะมีความเมตตาแล้วก็ซื้อแล้วจับไปปล่อยก็เรียกว่าเป็นการขาดความเมตตาก็ได้หรืออาจจะเป็นการวางเป็นอุเบกขาก็ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะซื้อได้ แล้วอาจจะไม่มีเงินพอที่จะซื้อเราก็ต้องทําใจว่ามันเป็นกรรมของสัตว์ไปอะไรจะเกิดขึ้นก็น ข, นขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเขาไปยูทูปพัชฌาเจ้าค่ะกราบเรียนถามค่ะคุณแม่แนะนําให้ญาติทําอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนําไปขายเช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพื่อหาไรายได้เสริมอย่างนี้เป็นการแนะนําที่ถูกไหมคะไม่ถูกหรอกเพราะเป็นการแนะนําให้ไปส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ค่ะจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะสักแต่ได้ยินสักแต่ว่าเห็นคือให้เราสงบไม่สนใจในสิ่งนั้นๆถูกต้องไหมเจ้าค่ะคือสนใจได้ให้รับรู้ได้แต่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากว่ารู้สึกว่างๆโห ไม่ได้ยินเสียงไม่รู้สึกถึงลมหายใจพอจิตสงสัยจึงถอยออกจากสมาธิเจ้าค่ะแบบนี้มาถูกทางหรือไม่เจ้าคะแล้วถ้ารู้สึกสภาวะเช่นนี้อีกต้องทําอย่างไรเจ้าคะเป็นยังไงในสภาพของเรานี้เป็นยังไงก็คือหากว่ารู้สึกว่างๆหูไม่ได้ยินเสียงไม่รู้สึกถึงลมหายใจพอจิตสงสัยจึงถอยออกจากสมาธิเจ้าค่ะ แบบนี้มาถูกทางหรือไม่เจ้าคะ่ะยังไม่ถูกทางจิตยังไม่สงบควรจะกลับมาดูลมแล้วบริกรรมพุทโธต่อไปให้จิตมันเ่งมันสงบให้มันว่างจริงๆว่างแบบที่เป็นนี้มันอาจจะเป็นว่างแบบแบบปลอมถ้าแบบว่างแบบจริงมันจะมีความสุขมากมีความรู้สึกมีความสุขแล้วมันจะไม่อยากจะออกจากสมาธิไปเจคะ่ะคำถามต่อไปกราบเยนถามพระอาจารย์ค่ะกรณีที่แม่ส่งวัยอายุเจสิบห้า แต่ยังช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรได้ลูกมาอยู่ในเมืองซึ่งมีความจําเป็นในการประกอบอาชีพและดูแลลูกเข้าโรงเรียนอยากให้คุณแม่มาอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงแม่อยู่คนเดียวและอยากดูแลอาหารบํารุงสุขภาพแม่ยังก็ได้ชิดแต่แม่จิตผูกพันกับบ้านสวนได้ความสงบได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะตามที่ตั้งใจโดยไม่ต้องเกรงใจลูกๆ ล, ลูกควรวางใจอย่างไรคะ จ้าค่ะจากคุณทีคัทนาถามว่าการปฏิบัติของโยมปัจจุบันเร่งพัฒนาจิตวิ ญ, ญญาณของตัวเองเช่นมีอารมณ์ต่างๆมาเป็นข้อสอบก็ต้องก็จะรู้ตัวเรยวขึ้นมองทุกอย่างตามจริงเป็นเหตุเป็นผล แม้จะเจอใครชอบไม่ชอบเราก็สามารถเริ่มเป็นกลางได้เข้าใจในพระธรรมคาสอนมาอีกระดับน้อมปฏิบัติบูชาน้อมการในความเมตตาอย่างสูงเจ้าค่ะก็เครื่องวัดการปฏิบัติของเราก็คือทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าใจเรายังทุกข์กับสิ่งที่เรามากระทบมาสัมผัสก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านไม่ว่ า, าจะมากระทบกับเราสัมผัสกับเราถ้าใจเราเฉยได้แสดงว่าเราผ่าน เทายังทุกอยู่แสดงว่ายังสอบตกอยู่คจ้าค่ะคำถามต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเนื่องจากได้ฟังว่าถ้าภาวนาสัมมาอรหังของหลวงพ่อสดแล้วจะค้าขายดีหรือมีโชคลาภดีก็เลยเริ่มต้นภาวนาสัมมาอรหงังแต่เมื่อกี้นั่งสมาธิเริ่มต้นภาวนาสัมมาอรหงังแต่รู้สึกตัวอีกทีคือเปลี่ยนคําว่าเปลี่ยนคําภาวนาเป็นพุโทโธธรรมโมสัสงโฆ แบบนี้ควรเปลี่ยนคําภาวนามาเป็นพุโทโธทำโมสัสงโคหรือเปล่าคาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องการมีเงินมีทองมาใช้จา่ายมาดูแลลูกพ่อแม่ค่ะเลยคิดจะเปลี่ยนมาภาวนาสัมมาอะหังคาเพื่อหวังผลค่ะคือการภาวนาไม่ได้ให้ให้เราล่ลํารวยหรอกทําให้ใจเราสงบมีความสุขไม่ว่าจะใช้พุโทโธหรือสัมมาอะหังก็เหมือนกันมันไม่ได้ทําให้เรารวยแต่อย่างใดอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดกัน การใช้สัมมาหังใช้พุโทโธหรือใช้อะไรนี้ก็เพื่อทําใจให้สงบให้มีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเศรษฐีถ้ากับเรารวยยิ่งกว่าเศรษฐีเวลาเราได้ความสุขอย่างความสงบน่าเชิญถามครับกราบนมัส ก, การครับพระ อ, อาจารย์ครับก็บผมจะขอถาม อ, อ, อยากได้ธรรมะที่ช่วยประคองความกลัวของจิตของตัวเราะครับพระ อ, อาจารย์ก็เวลา ให้ฝึกสติอยู่ในใจพุโทโธไปเรื่อยๆพอเวลาเจอความกลัวก็ให้อยู่กับคำเริกนการพุโทโธพุทโธไปแล้วความกลัวมันก็จะหายไปขอบพระคุณคับพระอาจารย์ครับสค่าจากเฟ e บ o o k ค่ะกระดับนันัสการค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์เคยนั่งสมาธิแล้วสงบถึงกับจิตว่างเปล่าและรู้สึกเตือตัว ต, วตนหายไปโปร่งใส ทำได้บ่อยๆแต่ปัจจุบันทำไม่ได้รู้สึกไม่สงบจะทำอย่างไรต่อคะก็กลับไปทำใหม่ซิทำแบบที่เราเคยทำอย่างที่เมื่อกี้บอกเวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบให้จดจำวิธีนั่งนั้นไว้พอคราวหน้าเราอยากจะให้มันสงบเราก็นั่งแบบเดิมอีกต้องจดจำวิธีไว้ให้ดีใค่ะมีคนฝากถามมาว่าหากที่ทำงานมีครอบครัวหนู มารบกวนหลายตัวแล้วไม่อยากทําร้สัตว์จะมีวิธีแก้ไขหรือต้องวางใจอย่างไรเจ้าขาก็ใช้กับดักแบบที่ไม่ฆ่ามันกับดักให้มันเข้าไปกินกล้วยอะไแล้วมันก็ไปติดอยู่ในกรงแล้วเราก็จับไปปล่อยในป่าอย่างถ้าเกิดเรานําแมวมาเลี้ยงเพื่อเจตนาให้ม like ันฆ่าหนูนีิบาศไหมคะบาสใช่บาสใช้คนอื่นฆ่าก็ดีฆ่าเองก็ดีบาสเจ้าขายังไม่มีคําถามเขครัาเจ้าค่ะ โอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีเวลาสำหรับการแสดงธรรมำสำรบันนี้ก็หมดงลงแล้วขอให้ท่านยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิาุ